ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานอนนเราไม่พยายามทํากับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทําแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานอนนเราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานอนนเราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมักผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษ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 คุ้มทรจากพระโอษฐ์หมวดที่4ว่าด้วยการทำไปตามอำนาจกิเลส 1. ผู้ไม่หนุนหมอนไม้ 2. ผู้เห็นแก่นอน 3. ผู้ต้องการนุ่งงามห่มงาม 4. ผู้ต้องการกินดี 5. ผู้ต้องการอยู่ดี 6. ภัยมีเพราะการระคนใกล้ทิสตรี 7. ภัยเกิดเพราะกลัวอด 8. ราคีของนักโบสถ์9เมื่อโจนปล้นชาวเมือง10คนนอกบัญชี11คนแหวกแนว12คนทิ้งธทรรม13คืนวันที่มีแต่ความมืด14ผู้ถูกตรึง15ผู้ถูกแมลงวันตอม16ป่าช้าผีดิบ ภูมิทรจากพระโอษฐ์หมวดที่สว่าด้วยการทำไปตามอำนาจกิเลสผู้ไม่หนุนหมอนไม้ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เจ้าลิชวีทั้งหลายมีท่อนไม้เป็นหมอนหนุนเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทมีความเพียรเข้มแข็งในการฝึกวิชาใช้สอนพระราชาแห่งมคตนามว่าอาชาสตุผู้เวเทหิบุตรยอมหาช่องทางทำลายล้างมิได้ หาโอกาสทำตามอำเภอรพระไทยแก่เจ้าลิชวีเหล่านั้นไม่ได้ภิกษุทั้งหลายแต่เนการฝ่ายอนาคตเจ้าลิชวีทั้งหลายจากทำตนเป็นสุขุมารชาติจนมีฝ่ามือและฝ่าเท้าอ่อนนิ่มเจ้าลิชวีเหล่านั้นจากสำเร็จการนอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มมีหมอนใหญ่ๆหนุนบรรทมจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นคราวนั้นพระราชาแห่งมคตนามว่าอาชาสตุผู้เวเทหิบุตร อยากได้ช่องทางทำลายล้างจากได้โอกาสทำตามอำเภอรพระไทยแก่เจ้าลิชวีเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ภิสษุทั้งหลายก็มีท่อนไม้เป็นหมอนหนุนเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสในชั้นความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานมารผู้ใจบาปจึงหาช่องทางทำลายล้างมิได้หาโอกาสที่จะทาตามอาเภอใจแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมิได้ ภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุทั้งหลายที่ทำตนเป็นสุขุมาราชาตจนมีฝ่ามือและฝ่าเท้าอ่อนนิ่มภิกษุเหล่านั้นจกสาเร็จการนอนบนที่นอนอ่น อ, อนนุ่มมีหมอนใหญ่ๆหนุนนอนจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นคราวนั้นเองมารผู้ใจบาปก็จะได้ช่องทางทำลายล้างจากได้โอกาสที่จะทำตามอาเภอใจแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจากใช้ท่อนไม้เป็นหมอนหนุนเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสในชั้นความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แล ผู้เห็นแก่นอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรพวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าพระราชาผู้เป็นประสัตรได้รับมูรทาพิเศษแล้วทรงประกอบความสุขในการบรรทมหาความสุขในการเอมพระวรกายหาความสุขในการบรรทมหลับตามแต่พระประสงค์อยู่เนืองนิดยังคงทรงปกครองราชสมบัติให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจของพลเมือง จนตลอดพระชนม์ชีพได้อยู่หรืออย่างนี้ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าค่ะดีแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนี้แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรพวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าผู้ครองรัฐก็ดีทายาทผู้สืรมรดกก็ดีเสนาบดีก็ดีในบ้านก็ดี และหัวหน้าหมู่บ้านก็ดีประกอบความสุขในการนอนหาความสุขในการเองกายหาความสุขในการหลับตามสบายอยู่หนึ่งมิตรยังคงดำรงตำแหน่งนั้นๆให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจของประชาชนทุกเหล่ากระทั่งลูกหมู่จนตลอดชีวิตได้อยู่หรืออย่างนี้ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าค่าดีแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนี้ แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรพวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าสมณะหรือพรามที่เอาแต่ประกอบความสุขในการนอนหาความสุขในการเองกายหาความสุขในการหลับตามสบายใจอยู่เสมอเสมอทั้งเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภค ไม่ตามประกอบทำเป็นเครื่องเตือนไม่เห็นแจมแจ้งซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายไม่ตามประกอบการทำเนือ ง, งในโพธิปักขียธรรมทั้งในยามต้นและยามปลายแล้วยังจะกระทําให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏธรรมเทียวเข้าถึงแล้วแลอยู่หรือ ข้อนั้นก็ยังไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าค่ะดีแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวถึงนี้แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจากคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคตามประกอบธรรเป็นเครื่องตื่นเป็นผู้เห็นแจ่มแจ้งซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย และจักตามประกอบอนุโยคภาวนาในโพธิปัจีัยธรรมทั้งในยามต้นและยามปลายอยู่เสมอเสมอดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แล ต้องการนุ่งงามห่มงามภิกษุทั้งหลายในกาญยืดยาวฝ่ายอนาคตจากมีภิกษุทั้งหลายผู้ต้องการความสวยงามในเครื่องนุ่งห่มจีวรเธอทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นอยู่จากเลิศร่รางจากการใช้ผ้าบางสกลุลจากเขินห่างที่นอนที่นั่งอันเป็นป่าและป่าชัดเงียบสงบจากม้อสมชุมนุมกันอยู่แต่ในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงและจากถึงอนเนสนากรรม คือการแสวงหาอันไม่สมควรหลายแบบหลายวิธีเพราะความต้องการความสวยงามในเครื่องนุ่งห่มนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคต ภ, ภัยข้อที่หนึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปพวกเธอทั้งหลายพึงสำนึกไว้ครั้นได้สำนึกแล้วก็พึงพยายามเพื่อกำจัดภัยนั้นเสีย ต้องการกินดีภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจากมีพิกษุทั้งหลายผู้ต้องการความ อ, ร, อร่อยในอาหารเธอทั้งหลายเมื่อเป็นชิ้นนั้นอยู่จกเครื่ร้างจากการเที่ยวบินธบาตจากเขินห่างที่นอนที่นั่งอันเป็นป่าและป่าชัดเงียบสงัดจากมู่สมชุมนุมกันอยู่แต่ในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงและจากถึงอนเนสนกรรม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 ผู้ต้องการอยู่ดีภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุทั้งหลายผู้ต้องการนอนสบายนั่งสบายเธอทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นอยู่จะ ก, กระดร้างจากการอยู่ป่าหรือจากการอยู่โคนไม้จกเขินห่างที่นอนที่นั่งอันเป็นป่าและป่าชัดเงียบสงัดจากมั้อสมชุมนุมกันอยู่แต่ในญ่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงและจากถึงอเนชนากรรม เคยการสแสวงหาอันไม่สมควรหลายแบบหลายวิธีเพราะความต้องการนอนสบายนั่งสบายนั้นเป็นเหตุพิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่สยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปพวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกไว้ครั้นได้สํานึกแล้วก็พึงพยายามเพื่อกาจัดภัยนั้นเสีย มีเพราะการระคนใกล้ชิดสตรีภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุทั้งหลายที่มีการอยู่ระคนใกล้ชิด ก, กับพวกภิกษุณีสิกขมานาและสมุนุเทศเมื่อมีการประคนใกล้ชิด ก, กันเช่นนั้นก็เป็นอันหวังผลเหล่านี้ได้คือเธอทั้งหลายจากต้องทนประพฤติพรหมจรรย์อันเต็มไปด้วยอาบัต ท, ที่เศร้าหมองหรือมิฉะนั้นก็จะต้องบอกเลิกศึกขา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 เกิดเพราะกลัวอดภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุทั้งหลายที่มีการอยู่ครุกคลีกับพวกคนทําการวัดและสมุนุเทศสามนเณรเมื่อมีการอยู่คลุกคลีกันเช่นนั้นก็เป็นอันหวังผลเหล่านี้ได้คือเธอทั้งหลายจับขนขวายทําการสะสมของกินไว้บริโภคหลายอย่างหลายประการและจักทานิมิตอันหยาบในการใช้เขาขุดดินบ้าง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 ราคีของนักบวชภิกษุท so, May ั so, first, ้งหลายเครื่องเศร้าหมองของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีอยู่สี่อย่างอันเป็นเหตุให้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่สุขใสไม่สว่างสวัยรุ่งเรืองสี่อย่างอะไรบ้างสอย่างคือเมฆหมอกผงคลีและอสุรินทราหูภิกษุทั้งหลายเครื่องเศร้าหมองของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันเป็นเหตุให้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่สุขใสไม่สว่างสวัยรุ่งเรือง มีอยู่สี่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ก็มีอยู่สี่อย่างอันเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่ผ่องใสไม่งามสง่ารุ่งเรืองสี่อย่างอะไรบ้างสี่อย่างคือนหนึ่งสมณพราหมณ์พวกอหนึ่งเดิมสุราเมรยัยไม่งดเว้นจากการเดิมสุราเมรยัยสองสมณพราหมณ์พวกอหนึ่งยังมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างที่คนคู่เขาทำต่อกันไม่งดเว้นจากการกระทำเช่นนั้นสามสมณะพราหม์พวกหนึ่งยินดีในการมีทองและเงินไม่งดเว้นจากการรับทองและเงินสี่สมณะพราหม์พวกหนึ่งสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ผิดวิสัยของสมณะไม่งดเว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่ผิดวิสัยภิกษุทั้งหลายเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมมีอยู่สี่อย่าง อันเป็นเหตุให้สมณพราไม่ผ่องใสไม่งามสง่ารุ่งเรืองแลเมื่อโจรปล้นชาวเมืองภิกษุทั้งหลายมหาโจรห้าพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลก ห้าพวกคืออะไรบ้างผ้าพวกคือหนึ่งภิกษุทั้งหลายความคิดของมหาโจรบางพวกในกรณีนี้มีว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมเราเที่ยวไปนในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงจากเรียกฆ่าเองหรือใช้ให้บริวารฆ่าจากได้ตัดเองหรือใช้ให้บริวารตัดจากได้เผาเองหรือใช้ให้บริวารเผาดังนี้ ครั้นการต่อมามหาโจนนั้นมีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวไปในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงทําการฆ่าเองและให้บริวารฆ่าทําการตัดเองและให้บริวารตัดทําการเผาเองและให้บริวารเผาข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายความคิดของภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้มีว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมเราเที่ยวจาริกไปในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมของพวกขรหัสและบรรพชิตเป็นผู้ร่ำรวยลาบด้วยจีวรบิงธาบาเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศรประเรคารดังนี้ครั้นการต่อมาภิกษุลามกนั้นได้มีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เทียวจาเรียกไปในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมของพวกขรหัสและบรรพชิตเป็นผู้ร่ำรวยลาบด้วยจีวรเบินตาบะเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบ ร, ร, ริขารฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกนี้จัดเป็นมหาโจรพวกแรกซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก 2. ภิกษุทั้งหลายพวกอื่นอีก ภิกษุลาโมกบางรูปในกรณีนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วยกตนว่ารู้เองหรือนําไปหาลาภผลเพื่อตนภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกนี้จัดเป็นมหาชนพวกที่สองซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสภิกษุทั้งหลายพวกอื่นอีกภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ ย่อมตามกาจัดโพรมจารีผู้ประพฤติโพรมจาจันได้บริสุทธิ์ด้วยสิ่งอันไม่ใช่เรื่องของโพรมจาจันอันปราศจากมูลความจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกนี้จัดเป็นมหาจนพวกที่สามซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก 4. ภิกษุทั้งหลายพวกเอื่นอีกภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ย่อมสงเคราะห์และพูดจาและเกลี้ยกล่อมพวกกระหัต ด้วยครุพันและครุบริคานอันเป็นของสงฆ์คือของปลูกสร้างในอารามพื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารเตียงต่งฟูกมอนหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะพระขวานผึ่งจอบสว่านเชือกไม้ไผ่หญ้าสำหรับมุงหญ้าปล้องหญ้าดินเหนียวสิ่งของที่ทำด้วยไม้ และสียงของที่ทำด้วยดินเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกนี้จะเป็นมหาโจรพวกที่สซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก 5. ภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกสุดท้ายจะเป็นมหาโจรชั้นเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์คือภิกษุลามกกล่าวอวดอุตริมนุษธรรม อันไม่มีจริงไม่เป็นจริงข้อนั้นเพราะเหตุไรภิสุทั้งหลายเพราะว่าเธอบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองด้วยอาการอันเป็นขโมยภิกสุใดแสดงตัวเองซึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งให้คนอื่นเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปการบริโภคปัจใจด้วยอาการแห่งขโมยของเธอนั้นเป็นเช่นเดียวกับนายพรานผู้ล่อลวงดักสัตว์กินฉนั้นคนเป็นอันมากที่มีภากาสะวัสดิ์คลุมคอ แต่มีความเป็นอยู่ลามกขาดการสำรวมผู้คนลามกเหล่านั้นต้องไปเกิดในนรกเพราะการกระทำกรรมอั ญ, ญาบช้ามันกินก้อนเหล็กซึ่งเปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัดยังจะดีกว่าคนทุศีลไม่มีการสำรวมบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองเป็นการไม่เหมาะสมเลย บัญชีภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นคนหลอกลวงกระด้างพูดพลาดยกตัวจองหองใจฟุ้งเฟอ้อพิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่คนของเราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นได้ออกไปนอกธรรมวินัยนี้เสียแล้วและพวกภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ในธรรมวินัยนี้ได้เลย คนแหวกแนวภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำสามอย่างนี้เข้าแล้วจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดสุขทำไปเพื่อความชิบหายแค่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการกระทำสามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือหนึ่ง ทำการชักชวนมหาชนในกายกรรมอันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนาสองทำการชักชวนมหาชนในวจีกรรมอันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนาสามทำการชักชวนมหาชนในการบาเพ็ญทางจิตอันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถอของมหาชนทั่วไป เมื่อมีการกระทำสามอย่างเหล่านี้เข้าแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล ทิ้งทำภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุเกิดแก่งแย่งทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกปากอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศ น, นั้นแม้แต่เพียงนึกถึงก็ไม่เป็นที่ผาสุกแกรเราเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงการไปในที่นั้นในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งทำสามอย่างเสียแล้วพากันมาถือกระทําให้มากในทำสามอย่าง ทำสมอย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสีย3อย่างคือ 1. ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม 2. ความตรึกในการทำความไม่มุ่งร้าย 3. ความตรึกในการไม่ทำคนอื่นให้ลำบากทำสามอย่างเหล่านี้แหละที่พวกพิกษุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้วก็ทำอีกสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่พวกพิกษุเหล่านั้นพากันเถอะกระทาเพิ่มพูนให้มาก สามอย่างคือหนึ่งความตรึกในทางกลามสองความตรึกในทางมุ่งร้ายสาความตรึกที่ก่อให้เกิดความลําบากแก่ผู้อื่นทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกพิกษุเหล่านั้นพากันเถอะประทําเพิ่มพูนให้มากพิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกพิกษุเกิดแก่งแย่งทะเลาะวิวาททิ้งแทงกันและวกันด้วยหอกปากอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้น แม้แต่เพียงนึกถึงก็ไม่เป็นที่พาสุขแปเราเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงการไปในที่นั้นในกรณีนี้เราเชื่อแน่แข่ใจว่าเป็นเพราะพวกภิกษุเหล่านั้นละทิ้งทำสามอย่างเหล่าโน้นเสียแล้วและพากันมาเถอกระทําให้มากในทำสามอย่างเหล่านี้แทน คืนวันที่มีแต่ความมืดภิกษุทั้งหลายคืนวันของภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหอย่างแล้วย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเจริญมิได้หกอย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือภิกษุในกรณีนี้ 1. ึงมีความต้องการมากจนเป็นทุกข์เพราะไม่รู้จักพอในเรื่องจีวรบิณฑบาตเศนาสะนะ และคีลานปัจจัยเพศสตรปริเคาร 2. เป็นคนไม่มีศรัทธา 3. เป็นคนทุศีล 4. เป็นคนเกียดครา้าน 5. เป็นคนมีสติฟั่นเฟือน 6. เป็นคนมีปัญญาทึบภิกษุทั้งหลายคลืนวันของภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหอย่างเหล่านี้แล้วย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเส่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเจริญมิได้ ถูกตรึงภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณนียก็ตามยังละตะปูตรึงใจห้าตัวไม่ได้คืนวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเจริญไม่ได้ตะปูตรึงใจห้าตัวที่บรรพชิตรูปนั้นยังละไม่ได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ยังสงสัยเครือบแคลง ไม่ปรงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาภิกษุใดเป็นดังกล่าวนี้จิตของภิกษุนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเผากิเลสเพียรประกอบเนืองเนืองเพียรตั้งหลักติดต่อเนื่องกันจิตของผู้ใดไม่น้อมไปตามในที่กล่าวนี้นั่นแหละเป็นตะปูตืองใจตัวที่หนึ่งที่เธอนั้นยังละไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุยังสงสัยละถึง ในธรรมนั่นแหละเป็นตะปูตรึงใจตัวที่สองที่เธอนั้นยังละไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุยังสงสัยในพระสงฆ์นั่นแหละเป็นตะปูตรึงใจตัวที่สามที่เธอนั้นยังละไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุยังสงสัยในไตรศิขานั่นแหละเป็นตะปูตรึงใจตัวที่สี่ที่เธอนั้นยังละไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้ครุ่นโกรธในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันไม่ชอบใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งแล้วจนเกิดเป็นเครื่องตรึงใจภิกษุใดเป็นดังกล่าวนี้จิตของภิกษุนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเผากิเลสเพียรประกอบเนืองๆเพียรตั้งหลักติดต่อเนื่องกันจิตของผู้ใดไม่น้อมไปตามในที่กล่าวนี้นั่นแหละเป็นตะปูตรึงใจตัวที่ห้า ที่เธอนั้นยังละไม่ได้ภิสษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิสษุหรือภิสษุนีเนก็ตามยังละตะปูเตรองใจห้าตัวเหล่านี้ไม่ได้คืนวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเจริญมิได้แล ผู้ถูกมแมลงวันตอมภิกษุทั้งหลายเมื่อเช้านี้เราครองจีวรถือบาทไปบินทบาทในเมืองพาราศสีเราได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวบินทบาทอยู่ตามแหล่งที่ซื้อขายโคของพวกมิลกขะเป็นภิกษุมีท่าทางกระหายกามคิดศึกปล่อยสติปราศจากสัมปชัญญะจิตฟุ้งใจเขวผิวพันแห้งเกรียมครั้นเห็นแล้วเราเรียกกล่าวกับภิกษุนั้นว่า ภิสุเธออย่าทำตัวให้เน่าพองตัวที่เน่าพองทรงกลิ่นเหม็นคาวคลุงแล้วมแมลงวันจากไม่ตอมไม่ดูดนั้นเป็นไปไม่ได้นะพิกสุดังนี้ภิกสุนั้นถูกเราทักอย่างนี้ก็เกิดความสลดขึ้นในใจครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ด, ดังนี้แล้วภิกสุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้นว่าอะไรเล่าพระเจ้าข่าชื่อว่าของเน่าพองอะไรเล่าชื่อว่ากลิ่นเหม็นคาว อะไรเล่าชื่อว่ า, มาแมลงวันอภิชานี่แหละภิกษุชื่อว่าของเน่าพองพยาบาทชื่อว่ากลิ่นเหม็นคาวความคิดที่เป็นอกุศลามกชื่อว่ า, มาแมลงวันตัวที่เน่าพองส่งกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งแล้วมแมลงวันจกไม่ตอมไม่ดูดนั้นเป็นไปไม่ได้น้าพิษุดังนี้แหล ปาช้าผีดิบภิกษุทั้งหลายโทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษในป่าช้าผีดิบห้าอย่างอะไรบ้างห้าอย่างคือปาช้าผีดิบเป็นที่ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นมีภัยเฉพาะหน้าเป็นที่พักอาศัยของพวกอนมนุษย์ที่ดุร้ายและเป็นที่ที่ร้องไห้พิรัยร่ำของคนเป็นจํานวนมากโทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษในป่าช้าผีดิบภิกษุทั้งหลายฉั้นใดก็ฉันนั้น โทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษในนักบวชที่เปรียบด้วยปา่าช้าผีดิบห้าอย่างอะไรบ้างห้าอย่างคือหนึ่งนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบด้วยการกระทำทางกายอันไม่สะอาดประกอบด้วยการกระทำทางวาจาอันไม่สะอาดประกอบด้วยการกระทำทางใจอันไม่สะอาดพิกษุทั้งหลายเรากล่าวการทำเช่นนี้ของผู้นั้นว่าเป็นความไม่สะอาดดุดดังปา่าช้าผีดิบ ซึ่งเป็นที่ไม่สะอาดเรากล่าวนักบวชชนิดนี้ว่าเทียบกันได้กับที่ที่ไม่สะอาดฉชนนั้น2เมื่อนักบวชประกอบกรรมอันไม่สะอาดเช่นนั้นอยู่เสียงเล่าหืออันชั่วช้าก็ระเบอือไปภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเสียงเล่าหืออันชั่วช้านี้ของผู้นั้นว่าเป็นกลิ่นเหม็นดูดดังป่าช้าผีดิบซึ่งเป็นที่ที่มีกลิ่นเหม็นเรากล่าวนักบวชชนิดนี้ ว่าเทียบกันได้กับที่ที่มีกลิ่นเหม็นเชนั้นสาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันซึ่งมีศีลเป็นที่รักย่อมเว้นห่างไกลจากคนที่มีกลิ่นเหม็นเช่นกล่าวนั้นเสียภิกษุทั้งหลายเราเกล่าวการที่เพื่อนเพื่อนเว้นห่างไกลนี้ของผู้นั้นว่าเป็นภัยเฉพาะหน้าดุ ด, ดังป่าช้าผีดิบซึ่งเป็นที่มีภัยเฉพาะหน้าเราเกล่าวนักโบชนิดนี้ว่าเทียบกันได้กับที่ที่มีภัยเฉพาะหน้าฉะนั้น สคนชั่วช้านั้นผู้ประกอบกรรมอันไม่สะอาดทั้งทางกายวาจาและใจก็อยู่ร่วมกันได้แต่พวกที่มีการกระทําเหมือนเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเราเกล่าวการที่อยู่ร่วมกันได้ของผู้นั้นว่าเป็นที่พักอาศัยสําหรับพวกเหล่าร้ายนี้ดุ ด, ดังป่าช้าผีดิบซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพวกอนมนุษย์ที่ดุร้ายเราเกล่าวนักบวชชนิดนี้ ว่าเทียบกันได้กับที่พักอาศัยสําหรับคนดุร้ายฉะนั้น 5. ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันซึ่งมีศีลเป็นที่รักได้เห็นนักบวชชนิดนั้นเข้าแล้วก็นึกตําหนิได้ว่าผู้ท้อเอย๋ยความทุกข์ของพวกเรามีอยู่ตรงที่พวกเราจําต้องอยู่ร่วมกันกับนักบวชชนิดนั้นด้วยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการอยู่ร่วมที่ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นนี้ของผู้นั้นว่า เป็นความร้องไห้พิไรร่ำดุดดังป่าชาผีดิบซึ่งเป็นที่ที่ร้องไห้พิไรร่ำของคนเป็นจำนวนมากเรากล่าวนักบวชชนิดนี้ว่าเทียบกันได้กับที่สำหรับเป็นที่ร้องไห้พิไรร่ำของคนเป็นจำนวนมากเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายโทษหน้ายอย่างเหล่านี้เป็นโทษในนักบวชที่เปรียบด้วยป่าชาผีดิบแหลหมือที่สี่จบ